ขยายความจากบทย่อพระตรัรยปิฎกเล่มสี่พระตรัยปิฎกฉบับประชาชนหนึ่งมหาคันท ก, กะคือหมวดใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ประทับนครไม้โพธิหรือต้นโพ ร, ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในตำบลอุรุเวลาพระองค์ประทับนั่งสวยวิมุตติสุขนครไม้โพตลอดเจ็ดวัน ในเวลาปฐญมยามแห่งราตรีส่งพิจารณาปฏิจจะสมุประบาทสายเกิดปฏิจจะสมุประบาทคือธรรมะหรือธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยแล้วทรงเปล่งอุทานความว่าเมื่อธรรมะปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เขายอมสิ้นความสงสัยเพราะรู้ธรรมะพร้อมทั้งต้นเหตุ ในเวลามัชิมายามแห่งราตรีส่งพิจารณาปฏิจจะสมุปบาทสายดับแล้วร่งเปลงอุทานความว่าเมื่อธรรมะปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เขายอมสิ้นความสงสัยเพราะได้ทราบถึงความสิ้นไปแห่งปัจจัยในเวลาปัชชิ ม, มายามแห่งราตรีส่งพิจารณาปฏิจจะสมุปบาททั้งโดยอนุโลมคือตามลำดับ และโดยปฏิโลมคือย้อนลำดับแล้วทรงเปล่งอุทานความว่าเมื่อธรรมะปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่พรามนั้นย่อมกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาเสด้ดังดวงอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉะนั้นทรงโต้ตอบกับพรามที่ชอบตวาดคนเมื่อครบเจ็ดวันแล้วทรงออกจากสมาธินั้นเสด็จจากโคนไม้โพธิ ไปยังไม้อาจารปาละนิโครธคือต้นไทรที่เด็กเล้งแพะชอบมาพักประทับนั่งสวยวิมุตติสุนักโคนไม้นั้นตลอดเจ็ดวันมีพราหมู้ชอบตวัดคนมาเฝ้ากราบทูลถามถึงธรรมะที่ทำคนให้เป็นพราหม์ทรงเปล่งอุทานเป็นใจความว่าผู้ที่จะนับว่าเป็นพราหม์คือผู้ลอยบาปไม่มักตวัดคนไม่มีกิเลสเหมือนน้ำฝาด สำรวมตนมีความรู้จบเวทยอยู่จบพรมจรรย์แล้วไม่มีความพองคือไม่มีความเยื่หยิงสำหรับอัถกถาแก้ว่าความพองมีอยู่ห้าอย่างคือพองเพราะราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิทรงเปล่งอุทานที่ต้นจิก ครั้นครบเจ็ดวันแล้วทรงออกจากสมาธินั้นสเสด็จจากโคนไม้อชัชปาละนิโครธไปยังต้นจิกประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขนโคนไม้จิกนั้นตลอดเจ็ดวันได้เกิดเมฆใหญ่ผิดฤดูการมีฝนตกปรำเจือด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันพญานาคชื่อมุจจลินมาวงด้วยขนดรอบระากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ็ดรอบ เพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงเป็นต้นทรงเปล่งอุทานปราลพสุขสี่ประการคือสุขเพราะความสงัดสุขเพราะไม่เบียดเบียนสุขเพราะปราศจากราคะก้าวล่วงการจะได้และประการสุดท้ายสุขอย่างยอดคือการนำความถือตัวออกจะได้ เหตุการณ์ที่ต้นเกตครั้นครบเจ็ดวันแล้วทรงออกจากสมาธินั้นเสด็จจากโคนไม้จิกไปยังไม้ราชายตนะคือต้นเกตประทับนั่งสวยวิมุตติสุขณโคนไม้เกตนั้นตลอดเจ็ดวันมีพ่อค้าสองคนชื่อตะปุษกับพันลิกะเดินทางมาจากอุคคลชนบทถวายข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผง ทรงรับด้วยบาทที่เท้าจ่าตุมหาราชถวายแล้วเสวยข้าวนั้นพ่อค้าสองคนปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสารณะนับเป็นอุบาสกชุดแรกในโลกที่เปล่งวาจาถึงรัตนะสองคือพระพุทธและพระธรรมสเสด็จกลับไปต้นทราอีก ครั้นครบเจ็ดวันแล้วส่งออกจากสมาธินั้นเสด็จจากโคนไม้เกตไปยังต้นใสที่เด็กเลี้ยงแพะชอบมาพักหรืออาชาปาละนิโคธและประทับนักโคนไม้ใสนั้นส่งพิจารณาเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ลึกซึ้งยากที่คนอื่นจะตรัสรู้ได้ก็ส่งน้อมพระหารุทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรม พระพรมพมาอาราธนาเท้าสหามบดีพรมราพระพุทธดำริจึงมาเฝ้ากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมอ้างเหตุผลว่าผู้ที่มีกิเลสน้อยพอจะรู้พระธรรมได้มีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาสัตว์เปรียบเทียบด้วยดอกบัวสามชนิดคือที่อยู่ใต้น้ำเสมอน้ำโปรพ้นน้า อันเทียบด้วยบุคคลสามชนิดคือบุคคลที่พอจะตรัสรู้ได้ส่วนประเภทสี่คือดอกบัวที่ไม่มีหวังจะโผล่ได้เทียบด้วยบุคคลผู้ไม่มีหวังจะตรัสรู้จึงทรงตกลงพระหาฤทัยที่จะแสดงธรรมทรงปราลรอาราละดาบทการามโคตก็ทรงทราบว่าถึงแก่กรรมสิเจ็ดวันแล้ว ทรงปราลบุทกกระดาบทรามบุตรก็ทรงทราบว่าถึงแก่กรรมเสื้อเมื่อวานนี้เองจึงตกลงพระหาไทัยสเสด็จไปแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์คือพวกห้านับป่าอิสิ ป, ปั ต, ตนะมรุทธายวันระหว่างทางทรงพบอุปกาชีวกได้รับสั่งโต้ตอบกับชีวกนั้นแต่อุปกาไม่เชื่อ ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเมื่อเสด็จถึงป่าอิสิปตนะมฤคัทยาวันแขวงกรุงพาราณสีแล้วครั้งแรกภิกษุ ป, ปัญจวคีรีแสดงอาการกระด้างกระเดืองแต่เมื่อทรงเตือนให้นึกถึงว่าเมื่อก่อนพระองค์ไม่เคยตรัสบอกเลยว่าตรัสรู้บัดนี้ตรัสบอกแล้วจึงควรตั้งใจฟังก็พากันตั้งใจฟัง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรมีใจความสำคัญคือหนึ่งทรงชี้ทางที่ผิดอันได้แก่การมาสุขคาลิกานุโยคคือการประกอบตนให้ชุ่มอยู่ด้วยกามและอัตตกิละมะถานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากว่าเป็นส่วนสุดที่บรรพชิบไม่ควรดำเนิน แล้วงแสดงมัชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายกลางได้แก่มักมีองค์8ว่าพระองค์ตรัสจะรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพาน 2. ทรงแสดงอริยสัจ ส, สี่คือทุกข์เหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดสา ทรงแสดงว่าทรงรู้ตัวอริยสัตว์ทั้ง 4. สี่ทรงรู้หน้าที่อันควรทาในอริยสัตว์ทั้งสี่และทรงรู้ว่าได้ทรงทำหน้าที่เสร็จแล้วจึงทรงแนบพระหารุทัยว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอันแสดงว่าทรงปฏิบัติจนได้ผลด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนา พระโกทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสมรําเร็จบรรลุเป็นพระโสดาบันคือพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและได้ขอบวชก่อนต่อมาพระวัปปะกับพระพัทธิยะสดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขอบวชต่อมาพระมหานามะกับพระอัศชิสดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขอบวช เป็นอันได้บวชครบทั้งห้ารูปทรงแสดงอนัตตลักณสูตรต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอนัตตลักณสูตรแก่ภิกษุปัญจะวคีนั้นมีใจความสำคัญคือรูปหรือร่างกายเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์กหรือเฉยเฉยสัญญา หรือความจำได้หมายรู้สังขารหรือความคิดหรือเจตนาและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูเป็นต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ตนถ้าเป็นตนก็จะบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นได้เราไม่ใช่ตนจึงบังคับบัญชาไม่ได้ แล้วตรัสถามให้ตอบเป็นข้อๆไปว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากวนหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเราตอบว่าไม่ควรตรัสสรุปว่าเพราะเหตุนั้นควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่ารูปเป็นต้นนั้นทุกชนิดไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรัสแสดงผลว่าอริยาสาวกผู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเป็นต้นนั้น เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่ต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกภิกษุปัญจะวคีมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานครั้งนั้น มีพระอาหารหันต์เพิ่มขึ้นในโลกอีกห้าองค์ซึ่งเมื่อรวมกับพระพุทธเจ้าจึงรวมมีพระอาหารหันต์ในโลกหกองค์สแสดงธรรมโปรดยสะกุ ล, ลบุตรกับครอบครัวและมิตรสหายยะกุ ล, ลบุตรเบื่อน่ายชีวิตครองเรือนกลุ้มใจออกจากบ้านไปยังป่าอิสิปตนะมิคทายวันในเวลาเช้ามืด ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าสดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมเศรษฐีผู้เป็นบิดาออกตามพบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะตลอดชีวิตนับเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงพระรัตนตรยัย ในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดายาศาักขุลบุตรก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์และขอบวชครั้งนั้นมีพระอรหันต์ในโลกเจ็ดองค์รุ่งเชา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระยาศาเสด็จไปฉันที่เรือนเศรษฐีผู้บิดาทรงแสดงธรรมโปรดมารดาและภริยาของพระยะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ประกาศตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนับเป็นอุบาสิกาชุดแรกในโลกครั้นแล้วมีเพื่อนของพระยะศะสี่คนกับอีกห้าสิบคนตามลำดับได้มาฟังพระธรรมเทศนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงมีพระอรหันต์ในโลกห1บอ็ดองทรงส่งพระส า, าวก ไปประกาศพระศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายส่งไปประกาศพระศาสนาโดยให้ไปทิศทางละหนึ่งรูปอย่าไปรวมกันสองรูปส่วนพระองค์ตรัสว่าจะเสด็จไปแสดงธรรมณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงอนุญาตกันบนรรพชาอุปสมบท ภิกษุที่ไปเผยแผ่พระศาสนาเหล่านั้นนำกุลบุตรที่ประสงค์จะบัพชาอุปสมบทมาเฝ้าเพื่อให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัะชาอุปสมบทให้ได้รับความลำบากจึงทรงเรียกประชุมสง์อนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นดำเนินการได้เองโดยให้ผู้ประสงค์จะบวชโกนผมลงหนวดนุ่งห่มย้อมฝาดทาผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง วายท้าภิกษุทั้งหลายเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะครบสามครั้งก็เป็นอันได้บวช ด, ด้วยการถึงสารณะสามหรือที่เรียกว่าติสรณะข้ามนูปสัมปทาตรัสเรื่องความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาเสร็จแล้ว ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าเราได้บรรลุได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมหรืออนุตตรวิมุตติด้วยการไตร่ตรองโดยแยบคายคือโยนิโสมนาสิการด้วยความเพียรชอบโดยแยบคายคือโยนิโส ม, มะประทานแม้ท่านทั้งหลายก็ได้บรรลุได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม ด้วยการไตรตรองอันแยบคายและด้วยความเพียรชอบอันแยบคายเช่นเดียวกันโปรดสหายส0สิบคนครั้นประทับนากรุงพาราณสีพอสมควรแล้วก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาระหว่างทางทรงแวะพักนักโขไม้แห่งหนึ่งได้แสดงธรรมโปรดพัทธวัคคิยกุมารซึ่งเป็นสหายกันส0สิบคน ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชพระองค์ก็ได้ประทานการบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดโปรดชดินสามพี่น้องและบริวารครั้นถึงตำบลอุรุเวลาซึ่งฉดินสามพี่น้องอาศัยอยู่คืออุรุเวลกัสสะนาทีกัสสะ และขยากัสปะแต่ละคนมีบริวารห้าร้อยสามร้อยและสองร้อยโดยลำดับในชั้นแรกได้ส่งขอพักในเขตอาสมของอุรุเวลากัสปะได้ส่งแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างจนอุรุเวลากัสปะคลายทิฏฐิมานะขอบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้บอกลาบริวารก่อน บริวารก็ตกใจจะบวช ด, ด้วยจึงลอยบริขาร ล, ลงในน้ำขอบวชร่วมกันซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทานการบวช ด, ด้วยเอหีภิกขุอุปสัมบทาคือตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดงะทีกัสปะน้องคนที่สองเห็นบริขาร ล, ลอยมาตามกระแสน้ำคิดว่าเกิดอันตรายแก่พี่ของตนแต่เมื่อสอบถาม ทราบความจึงลอยบริหารของตนและบริวารขอบวชทํานองเดียวกับพี่ชายและขยากศัปปะเห็นบริหารลอยมาก็สงสัยเมื่อสอบถามทราบความก็ขอบวชพร้อมด้วยบริวารเช่นเดียวกัน